กองทัพธรรม。 ธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่46เรื่องสัจธรรมทอแสงพอข่าวบริญภานและการถวายพระเพลิงพระพุทธสริระแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แพร่ไปในรัชธานีน้อยใหญ่กริย์และพรามผู้ปกครองนครนั้นนั้นต่างก็แต่งคณะทูตเพื่อไปขอแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุนกกุงกุศินาราในชั้นแรกคณะมละกษัตย์ยืนยันแข็งกร้าวจะไม่ยอมแบ่งให้ใครแต่ทนพรามเป็นผู้ให้สติว่าศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาสรรเสริญขันติความอดทนให้รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเห็นใจความสงบ เพราะฉะนั้นจึงควรแบ่งให้แก่ผู้มาขอส่วนละเท่าเท่ากันก็จะเป็นการเฉลี่ยสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อเป็นที่เคารพบูชาเตือนจิตใจให้สำานึกในคนความดีให้มีปริสถานแพร่หลายไปในที่ต่างๆมันละกษัตร์จึงตกลงยินยอมแต่ข้อนี้ก็เพิ่งเห็นว่าแม้มันละกษัตร์จะดื้อดึงประการใดกำลังทัพของกุสินาราเมืองน้อยนั้นก็คงไม่สามารถต้านทานกองทัพ ของราชธานีใหญ่น้อยทั้งหลายที่จะพึงยกมาทำสงครามด้วยได้เป็นความรอบครอบและเห็นเหตุการณ์ไกลขององค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาที่จะระ ง, งับสงครามอันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในสมัยที่พระองค์เสด็จดับคันธะปรินิพานแล้วฝ่ายกรุงอยุธยาก็ได้ประกาศว่า กษัตริย์ทั้งหลายได้ส่งทูตไปขอแบ่งส่วนพระบรมสารีกระชาดกันมากแล้วเป็นการดีที่จะได้นำไปบริสถานบรรจุในพระสถูปและเจดีย์เป็นที่สักการบูชาแต่อยุธยาจะไม่ส่งทูตไปเพราะเห็นว่ายัางมีทางหนึ่งที่จะได้ช่วยกันเป็นการร่วมมือส่งเสริมศาสนธรรมหลายๆทางนั้นก็คือการหาทางปลูกฝังพระพุทธวาสในจิตใจของแต่และบุคคล เป็นการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไว้ในดวงจิตทำตนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาเพราะถ้าจะปล่อยให้มีแต่พระสถูปเจดีย์ภายนอกโดยไม่มีการส่งเสริมเพื่อสร้างจิตใจให้ประกอบด้วยสัทธรรมบงแล้วรถแห่งความสงบสุขแห่งพระาศาสนาก็จะเป็นเพียงเรื่องพูดกันไปมาไม่มีใครได้ลิ้มได้ซึมซาบอย่างไรเลย แต่ถ้าจะสร้างพระสถูปเจดียขึ้นในจิตใจเพียงอย่างเดียวคนที่ยังไม่สามารถสร้างเจดียภายในก็จะไม่มีโอกาสได้พบได้เห็นสื่อภายนอกเพื่อเป็นทางเข้าสู่พระพุทธศาสนาบ้างเลยเช่นกันฉะนั้นการสร้างทั้งเจดียภายนอกและภายในจึงเป็นอุปการะแจกกันเลยกันด้วยประกาศรัชนี อันหนได้มีการประากาศเรื่องเกี่ยวกับการปรินิพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนปรารบความที่พระองค์เองจะต้องปรินิพานไปว่าเป็นของธรรมดาและได้ทรงเน้นให้พุทธบริษัทรู้จักพึ่งตัวเองและพึ่งธรรมะเป็นการแสดงว่าไม่หมดหวังในชีวิตว่าผู้นั้นผู้นี้สิ้นไปแล้วอันเป็นเรื่องของการติดบุคคลพึ่งบุคคล แม้สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองท่าดำรงพระชนม์ชีพอยู่แต่พุทธบริษัทไม่พึ่งตนเองไม่ช่วยตัวเองในการประกอบคุณงามความดีอะไรเลยพระองค์ก็ไม่อาจจะทรงช่วยให้ดีได้อะไรขึ้นมาเลยจึงตรัสสอนไว้ว่าแม้จะจับชายสังขารติของพระองค์ติดตามไปทุกฝีก้าวก็ไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้ผู้ที่จะชื่อว่าอยู่ใกล้พระตถาคตเจ้านั้นคือผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบ เพราะฉะนั้นชาวโยธยาทั้งหลายผู้ปรารถนาจะอยู่ใกล้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พึงประพฤติตนในทางที่ชอบฤทธิ์ศีลธรรมเถิดหรือถ้าปรารถนาจะเห็นสมเด็จพระบ ร, รมศาสดาก็พึงพยายามปฏิบัติให้เห็นธรรมได้ทราบซึ้งในรถพระธรรมเถิดก็จะชื่อว่าเห็นพระองค์อย่างแท้จริงการเดินตามดูพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลาพระองค์ก็ตรัสว่าหาใช่เป็นการเห็นพระองค์ไม่ อันหนึง่งไม่ได้ทราบข่าวว่าในอวสานการที่จะเสด็จปรินิพานนั้นก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าเมื่อพระองค์ล่วงแล้วพระธรรมวินัยก็ชื่อว่ายังเป็นาศาสดาแทนพระองค์อยู่ดังนี้ก็เป็นการประกาศแสจธรรมให้เข้าใจชัดในพระพุทธศาสนาว่ามิใช่สอนให้สิ้นคิดในเมื่อสิ้นบุคคลแต่ให้รู้จักช่วยกันนาธรรมะมาใช้ประโยชน์ด้วยตนเองและเผยแผ่ธรรมนั้น ให้อำนวยประโยชน์และความสุขแก่มนุษย์นิกรทุกหมู่เหล่าถ้ายังทำอยู่โดยในยนี้แม้าศาสนาการจะล่วงไปสักกี่พันจี่หมื่นปีพระสัทธรรมก็จะยังเป็นเสมอนหนึ่งดวงที่พากร อ, อันมิรู้อัสดงยังคงทอแสงจ้าจรัสอยู่ตลอดเวลาข่าวการคิดจะเสด็จไปจากอายุธยาได้ไปถึงกษัตริย์ทั้งสอง แห่งกำมพิละและชัตราวดีผู้มีพื้นความรักและนับถือพระเจ้าสุรเสนดังญาติสนิทก็ท่งกังวลพระราชนทยและทรงแต่งทูตให้มาอ้อนวอนให้คงทรงเป็นประมุกของอยยธยาต่อไปและเป็นประมุกของกรุง ม, มัทุลาด้วยโดยเสิ็จไปประทับทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเพื่อช่วยให้เกิดความเจริญมากแห่งนอกจากนั้นยังสรงรับรองที่จะช่วยเหลือมัทุราเมื่อมีศึกจากแคว้นอุเชนี เพื่อให้เป็นที่คลายความกังวลโดยเฉพาะกษัตริย์แห่งกัมพิละได้ทรงแสดงพระราชประสงค์เป็นพิเศษที่จะเปิดทางเดินระหว่างอยุธยากับมัทุราซึ่งจําเป็นจะต้องผ่านแคว้นของพระองค์ให้เป็นทางสะดวกที่จะผ่านไปมาได้ตามอัธยาศัยพราะเจ้าสุรสีนะก็ทรงตอบขอบพระราชนุไทัยและความซาบซึ้งในเมิตริจิตของพระราชาทั้งสองพระองค์นั้นเป็นอันดีแต่ก็ยังมิได้ทรงรับปากว่า จะตกลงพระราชรัไทยประการใดคณะอํามาตย์และมหาอํามาตย์แห่งอยุธยาได้ประชุมกันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหาทางให้ดีที่สุดในการให้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของมหาชนได้คงเป็นประมุขของอยุธยาสืบไปจึงตั้งคณะผู้แทนอํามาตย์ฝ่ายอยุธยาให้เดินทางไปกรุง ม, มัทุลาเพื่อเจรจาปรึกษากับคณะอํามาตย์และมหาชน แห่งแขวนสุรเสนะโดยด่วนทั้งนี้ไม่ให้เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของพระเจ้าสุรเสนะแต่ให้เป็นเรื่องของอํามาตย์ราชบริพารจัดการให้ได้ความเห็นพ้องกันโดยสามัคคีธรรมเมื่อทางมัทุรามีความพอใจเป็นเอกฉันให้พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยาส่งเป็นประมุขของมัทุราอีกแห่งหนึ่งและเสด็จไปมาสู่ราชธานีทั้งสองตามโอกาสอันควรอันเป็นความเห็นพ้องกันของทุกฝ่ายแล้ว คณะอำมาตของอยุธยาจึงนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าสุรสีนะเพื่อทรงเห็นแจมหาชนทั้งสองแคว้นเมื่อเป็นความรีกร้องต้องการอย่างนั้นพระเจ้าสุรสีนะก็ทรงผ่อนตามประสงค์ของคนโดยส่วนรวมแต่ก็ได้มีการนัดหมายให้มหาชนพร้อมกันด้วยเสวการ ม, มาตยประชุมพร้อมกันที่พระลานหลวงเพื่อฟังกระแสรพระราชดําริ พระเจ้าสุรเสนาทรงประกาศในที่ประชุมมหาชนในที่นั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอขอบใจในความปรารถนาดีที่ท่านทั้งหลายได้แสดงน้ําใจอันดีต่อข้าพเจ้าตลอดมาการที่ให้มีการประชุมในวันนี้ก็เพื่อชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้สแสวงโชคในการครองราชสมบัติแต่เมื่อมีโอกาสที่ให้ต้องเป็นผู้ปกครองแว่นแควนก็ตั้งใจทําด้วยดี ถือประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตั้งบัดนี้มหาชนในแคว้นเดิมแห่งบิดาได้เรียกร้องมาอีกทั้งได้มีการตกลงของแวนแควนทั้งสองให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองข้าพเจ้าจึงตกลงใจจะเดินทางไปมัทธุราชั่วคราวเพื่อพิจารณาแจา้ไขให้ราชธานีนั้นรุ่งเรืองขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาที่จะวางหลักการปกครอง ให้ไม่ต้องติดอยู่ในบุคคลคนเดียวจะพยายามวางระเบียบแบบแผนเหมือนสร้างทางเดินเมื่อมีทางแล้วใครๆก็เดินไปมาตามทางนั้นได้การติดอยู่ในบุคคลคนเดียวเมื่อบุคคลนั้นๆนตายไปหรือมีอันเป็นไปต่างๆก็จะเกิดความปั่นป่วนยุ่งยากใครว่าจะไม่สามารถอยู่กันเองตามลําพังได้แต่ถ้าสร้างระเบียบแบบแผนขึ้นแล้วแม้ใครจะเป็นอย่างไรคนอื่นก็อาจปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนนั้น ดำเนินงานให้ลุ้ร่วมไปด้วยดีความชิดนี้พ ร, ระเปเจ้าได้มาจากคติธรรมทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงถือธรรมวินัยเป็นหลักและได้ส่งเตือนไว้นานแล้วว่าแม้พระองค์จะบริญิพานไปแล้วพระธรรมวินัยก็ยังคงเป็นหลักอยู่พระศาสนาจึงชื่อว่ายังคงดำรงอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านผู้เจริญทั้งหลายอายุธยา ยังจะอยู่ต่อไปมัทุราก็ยังจะอยู่ต่อไปส่วนที่ตัวครัพเจ้าเองนั้นคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับอยุทยาและมัุราได้ชั่วนิจนิรันต์ถ้าครัพเจ้าตายไปหรือมีเหตุอันใดอันใดต้องจากไปก็ไม่ควรให้มีอะไรกระทบกระเทือนถึงอายุทยาและมัทุราเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่มีอยู่แล้วและจะมีต่อไป โดยไม่ต้องมีใครคอยตักเตือนว่ากล่าวเพราะการเตือนตนเองว่ากล่าวตนเองนั้นเป็นคุณสมบัติอันสูงของผู้เจริญแล้วโดยในยา น, นี้แม้บางสมัยครัพรเจ้าไปพักอยู่มัทุรากิจการทางอายุธยาก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีด้วยความรู้ความสามารถของท่านทั้งหลายและเมื่อครัพระเจ้ามาอยู่อยุธยาบ้างจิจการในมัทุราก็ควรจะได้เป็นไปโดยราบรื่น ด้วยความรู้ความสามารถของชาวมัทุราเช่นเดียวกันยิ่งกว่านั้นถ้าข้าพเจ้าตายหรือมีอันเป็นไปอย่างอื่นอยุทยาและมัทุราก็จะปกครองตนเองได้โดยอาศัยระเบียบแบบแผนและความรู้ความสามารถที่ฝึกไว้นั้ น, น, นท่านผู้เจริญทั้งหลายด้วยหลักการดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าก็อาจไปสู่ มัทุราในบางสมัยจากมัทุรามาอยู่อยุธยาในบางสมัยหรืออาจจากทั้งอยุธยาและมัทุราไปที่อื่นโดยไม่ต้องมีความกังวลห่วงใหญ่ประเนินว่าจะต้องคอยเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองอยู่ทุกที่วาราตรีท่านผู้เจริญทั้งหลายอายุธยาเราได้ชื่อว่าเติบโตมาแล้วในภายนอกคือความเจริญทั้งบ้านเมืองเครือสถานถนนหนทางและโดยการที่มีความสนใจ ในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาอยุธยาก็ได้ชื่อว่ามีความเติบโตทั้งด้านจิตใจจนเป็นที่สังเสริญแห่งราชธานีใกล้เคียงทั่วไปขอให้เราทั้งหลายรักษาความเติบโตและความเจริญทั้งด้านวัตถุและทางคุณธรรมนี้ให้สืบไปในวันปาติบทแห่งเดือนอาสาระหะต่อจากปรินิพานสมัยของพระบรมศ า, ศาสดาได้หนึ่งเดือนครึ่ง ขบวนเดินทางของอยุธยาก็พร้อมศัพท์พระเจ้าสุรเสนาพร้อมด้วยทนยะพระราชบิดากับทั้งคณะเสวกามาตราชบริพานและกองทหารส่วนหนึ่งออกจากอายุธยาเวลารุ่งอรุณมีมหาชนมาคอยส่งและโห่ร้องถวายพระพรเนืองแน่นไม่มีใครนอนขวางทางราชผานะไม่มีใครก่อความวุ่นวายเพราะเขาเหล่านั้นทราบดีแล้วว่าเป็นการเสด็จจากไปเพียงชั่วคราวและก็จะเดินกลับมาอีก ในไม่กี่เดือนข้างหน้าชาวมัทธุราตื่นเต้นในคราวของกษัตริย์หนุ่มผู้มีเลือดเนื้อเดียวกันกับตนอย่างยิ่งมีการเตรียมรับเสด็จอย่างมโหฬารคนแจกคนเท่าที่เคยรู้ประวัติเตรียมคอยเฝ้าชมพระบารมีทั้งสองของธนยะและพระเจ้าสุรเสนะฝน เริ่มมีบบ้างประปรายแล้วทางเดินซึ่งเคยเป็นฝุ่นก็ดีขึ้นพฤกษาชาติทั้งหลายสดชื่นประหนึ่งจะคอยต้อนรับพระราชาผู้ทรงธรรมในที่สุดมหาชนชาวมทธุราก็ได้เฝ้ารับเสด็จสมปรารถนาต่างก็เต็มตื่นไปด้วยปีติเมือ่อเห็นพระราชาผู้งามทั้งพระรูปและพระจริยวัตรอัตยาสยผู้มีพระเจดจขจรขาจายไปตั้งแต่ในสมัยที่มัทธุรา ยังไม่สามารถเพื่องตนเป็นอิสระจากอุชเชนีมีบุคคลหลายคนซบหน้าลงสะอื่นให้ด้วยความดีใจจนไม่สามารถกลั้นอสุชนไว้ได้แม้จะไม่เคยเสด็จมาสู่มัทุราเลยจำเดิมแต่พระสูตรพระเจ้าสุรเสนะก็ทรงรู้สึกว่าในทางโลกมัธุราอาจยังไม่เจริญแต่ในทางธรรมก็มีที่สังเกตเห็นได้มากลายว่าศา ส, สนาของสมเด็จพระบรมศาสดา ที่ผ่านมาแล้วอันทำให้รำลึกได้โดยทั่วไปว่าที่นี่ท ร, รมเสนากองทัพรมได้ผ่านแล้วโรงบูชาไฟกลายเป็นโรงต้มน้ำและโรงหุงหาอาหารไปแล้วบุญเท่าอันถือว่าศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเครื่องขัดภาชนะโลหะไปแล้วการเบียดเบียนและการฆ่าสัตว์เผาสังเวยเทวาด้วยสาคัญว่าเป็นบุญนั้น อันชนผู้ตื่นจากความหลงทั้งหลายละทิ้งแล้วความยินดีในการทะลวิวาดในการกล่าวโต้เถียงเกี่ยงแย่งแข่งดีกันได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วอ่าธรรมเสนากองทัพธรรมได้ยกเข้าเหยียบย่ำขา ม, มานิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่กวาดล้างความเชื่อถืออันร้ายเหตุผลความเป็นผู้โหดร้ายทารุณ ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์เสียสิ้นแล้วพร้อมกับได้วหว่านโปรยความสงบความร่มเย็นเป็นสุขให้แผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปสิ่งที่ธรรมเสนาได้ละไว้ณเบื้องหลังคือความใฝ่ใจในความสงบอันเกิดแต่การเว้นขาดจากการคมเหงเบียดเบียนลักช่อล่อลวงกันความมันขยันในหน้าที่การงานของตนความสันโดษรู้จักยินดีด้วยของของตน เม่ิตก้าวล่วงช่วงชิงของผู้อื่นและประการที่สุดอันสำคัญยิ่งคือความเป็นผู้ตื่นจากความเคลาในปัญหาแห่งชีวิตทั้งปวง